คาคาหลังจากที่เราได้ฟังธรรมเทสนากานได้ของพระพุทธเจาให้เก่กันชาวศีลเรานานมาแล้วสองพันรยก้าสิกว nice ่าปี9ก้าสก้า 道士告别ลู <99. S 2> <c oughs> กนี่还可是呢ทรไมเทศันกันนี้ในปฏิบัติตรรมทรรมจะฉันกันนี้ในพุทธกรรมเริต้นมีแต่คนเกิดขึ้น แบ่งเป็สองร้อยห้าสบลูกจากวันเดือนเดือนเปดไปถึงวันเดือนเดือนสามเนี่นำข้อปฏิบัติในจับแข็งทำคือทำไม่จับแล้วก็พาไปปฏิบัติทำให้มันเกิดเห็นให้มันทำได้ ก็พิสูจนเตัวว่าทรรมจับเนี่ยทำให้เกิดเป็นปัญหาได้้าตฏปฏิปทาแล้วก็มีอยู่ในชีวิตของเรานี่ถ้ามีลูกมีนามแล้วก็มีจรดี้เกิดขึ้นกับลูกคนนา เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็มีความตอบไปเป็นธรมมะต่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าได้เสียงคำมีก่อนทำยาได้เป็นพระหัสงคนแรกพระเจ้าจึงกล่าวออกมาโดยภาะพรหมเจ้ายังจินจิตสมุทัยธรรมสัพพันธ์ธโทธรรมติ ถึงได้ิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไปตำราสิ่งนั้นต้องมีความดับเป็นดำดามันก็ยกยิ้วด้วยผลแล้วได้ผลแล้วความแท้จริงเป็นยังไงได้คาตอบแล้วมีได้ได้ชื่อว่าเป็นสมมติสมุทรก็มีความต่างไปน้วยตามแต่ก่อนเป็นพระพูทเจ้าที่เฉย อสอนคนเห่นหรู้ตาวเรื่อว่าสัมมาสัมพุทธมีค ว, มวามสามารถสอนคนเหมือนี้นนรู้ตาอสิ่งที่พระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ของส่วนตัวเป็นของธรรมชาติเกิดได้กับทุกชีวิตดังนี้ ยังจิตสิสมุทัยธรรมสัพพันธ์นิโรธํรรมนห่างใด้ิ่มันเกิดขึ้นธรรมดาสิมันเรื่องความดับเป็นธรรมาเท่าเัปฏิบัติเราได้สมภัรเข่นกับว่าจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติทมหลัก อ๋อย่ยมมีความเหน็นถูกความไม่ผูกก็เกิดจากอะไรก็จารมีสติเริ่ต้นจากมีสติมีปัญญาเห็นหลงก็เป็นหลงเห็นไม่หลงก็เป็นไม่หลงเหตุทุกข์ก็เป็นทุกข์เห็นไม่ทุกข์ก็เป็นความไม่ทุกข์มาเป็นทาง เดียกความทุกข์ความหลงธรรมะตอนทีพระเจ้าได้ทงแสดงทุกเป็นสิ่งที่ตัณฑ์รูรู้แ้นี่คือันทุกเห็นมันทุกแล้วก็จดทุกได้เห็นเหตเกิดทุก ถ้าทำเหตุนั้นได้แล้วเอาอยู่แล้วเกิดจากการไหลไหลเท่เาได้ปฟองมรรมะจับอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดทุกกามตัณหาอวัตตัณหาวิปปัตตัณหาการตัณหาตัณหาในกรรมทั้งหลาย หัวปั่นหัวทำให้เธอนจำแนงหลวงทำยางไงที่จะทำให้จินงลนี้หมดไปไม่ให้มีที่ตั้ไม่มีที่อาศัยอนาลาิโยอนาหับหลนลิโยไม่มีที่อาศัยฉันหลับ ไม่ให้ฆ่าสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเรามีสติสัมชัญญะปฏิบัติตามาริยมากจนละให้แล้วเกิดที่ใดละได้ทุกทีเกิดที่ละได้ทุกทีไม่ย่อมเด็ดขาด รักได้เด็ดคามาทีใดอันเดียวรักได้เด็ดขเด็ดทุกขรั้งขรั้งที่หนึก็เด็ดค่ะ ท, ทสองก็เด็ดดเด็ดทุกขง้งเช่นชาติอะไรก็ตามมันเป็นอยู่ในระดับสออย่า ง, งไม่เป็นข้อจำกัดการเป็นทุกอย่าง ทำให้เจอทำได้หลับแข้งแล้วเห็นชัดในความหลงแข้ ง, งใคง้ความหลงความหลงเป็นความมืดความไม่หลงเป็นความเคื่อเกิดขึ้นกับเราเอลาเราปฏิบัติรรมมีสติมากจะเห็นมันโฉไม่เดยหลับไหล ไม้ทำโดยแยบถ่ายอย่าเอาอะไรเป็นคุ้มเพือไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นปฏิเสธทุกอย่างแต่ท่าที่มาตั้งแต่ที่จะมาเกิดบัญญาลูกแก่ไม่ใส่ใจมีแต่เพ่งตึ ง, ตงอยู่แค่นั้นเป็นศิลาครับอยาไม่รู้อะไร ปฏิบัติธรรมต้องสังขัดในเห็นทุกอย่างที่มันต้องทึ่งกันแนละที่เรามีสติใจส y ติใพิ ท, ทีปฏิบัติตามหลักอภิชาติไปเกี่ยวข้องกับจิงตา่างลองดูทดรองรอดูก่อนแกรูก่อนสอดเข้าไปดูก่อนเหมือนเมืวานไปถามหา กูที่ยา่บออ่อหลวงก็ยังไม่รู้ไปวัวทองคำบ้านลาดขนาดไปถามชาวบ้านไม่รู้ถามคนหนึ่งก็ไมารู้ถามคนที่สองก็ไม่รู้แต่เราก็ยอมต้องแกะเข้าไปต้องรู้ต้องมีแน่นอน เขากระโดวันนี้ที่นี่ไม่อยอมถ้าเราไปถามสองสามคนต้องบอกวามไม่รู้เราก็กลับไม่ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ร่มทุกข์ทีมันเกิดขึ้นไม่รู้สิ่งที่มันเทอได้เกิดทุกข์มันก็ตีไปเลยเจอที่ไก็ทุกทุกทีเจอที่ไหนก็หลงทุกทีเจอที่ไห้ก็เกิดที่ไหก็ายทุกทีหายเจ็บภายหลงหู การกิวัตกทำให้เห็นสมมาจิติสิทิความเห็นเหตื อ, อ, อมาเป็นคู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่นั้นยังมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อที่เรามีสติวันนี้ทั้งวันยิมหลงกลับมาหาความรูส้สุตัวพาเมื่อที่เราไม่ก เมื่อนี้ท่านเกิดความโกรธขึ้นมากลับมาหาความไม่โกรธมีสติเมือที่ไม่มีเจตนาหาทํานไม่พุ่ขึ้นมากลับมาหาสติเนี่ยว่าปฏิบัติเขาช่อมตัวย่อยจนกับกินติ้งให้ได้ ในนามว่ามันเรียงอยู่มันก็ไม่มีบลกระทบถ้ามันไม่เดียงแม้แต่ก็หยุดไฟก็ช็อตไม่ชีวิตของเราเช่นกันไปสิบกตัวกับคนสุกไปสีบกตักรบคนทุกสุกก็เป็นสุกทุก็เป็นทุกข์โวดก็เป็นปวดเจรือปัญหาไปจิีวปัญหาแล้วก็เกินไม่ตายตั้ง ใจผอมทุกใจผอมสุกใจผอมโลกปวดหลงคจผอมรักความจากความดีใจเสียใจดีใจก็คือเป็นอย่างนั้นมาดีใจเป็นอย่างนั้นวางพอใจเกิดขึ้นมีความพอใจตันตีวางไม่พอใจเกิดขึ้นกัมีความไม่พอใจตันตีช็อตจุตรงนั้นไม่แล้วใชมาได้ชีวิตใช่ไม่ได้ใช้เป็นเชนะั ชีวิตต้องมันเป็นเช่นนั้นเมื่อมีหลงต้องมีไม่หลงได้ชีวิตขึ้ น, นมาเมื่อมีทุกต้องมีไม่ทุกได้ชีวิตขึ้นมาเมื่อมีโกรต้องมีไม่โกรธได้ชีวิตขึ้นมาชีวิตเกิดจากตรง น, นี้ก่อตัวตรนี้กขอไปก่อไปก็เกิดนะขึ้นมา แต่กล้าขึ้นมายิ่งใหญ่รวมหลงเชิด้วยรวมทุกเชิด้นรวมโผเชิดต้นช้่ำสามชั้นปุถุชนชั้นชาวบ้าน <c ười> ไม่ใช่ของสมอไม่ใช่ปุโจัไม่ใช่เป็นเขาฉลองของวัดริเจ้าแล้วก็มองเห็นสูงขึง้นไหวที่จิใจที่มันสูงขึ้น บริสุท์ขึ้นหมดจดขึ้นสะอาดขึ้ น, นไม่เปิดไว้เพื่อนร่วมพ่นภาว่าเกาให้พุดอย่างนี้วันใช้ไปสุกทําไม้วุ่นวี่เลยนะบางที่เพ่งแล่นเนไปเอาทิ้งเอาเจ้าทิ้งอะไรทิ้งตัวคนไม่รู้ทิ้งตัวคน เพ่งเพ่งตึงตึงเอาความตึงเอาความเพ่งเร่งป็นความแข็งไม่ใช่เอาความหมั่นไว้เป็นความจีงความแข็งเราต้องออมอาดูมอดูมองรื่รรรองูรือ่องาดูโลกจู่ทั้งหลายจะมองดูโลกนี่พระเจ้าไดตะโคน ไปยืนอยู่ที่สี่แผงสางแผงห้าแผงถนนโน่นต่อสมุตจังหวัดจังหวังนี้อันวิจิตรการดุดลาดรถที่คนหลงคนข่าวหาคำบอกอยูแต่ผู้มีปัญญาหาข้ อ, อยูไว้มาดูสิโลกโลูกก็คือรถช้า มีรูปมีรถม่กินไมีเสียงในรูปในนามมันจ ะ, จะแสดงออกแสดงควารกันเป็นอย่างตายเป็นอย่างเป็นอย่างจะบกเลีกาจใจแยงกันเป็นอย่า ง, งา เ, ง เ, างเมือจับทุกชนิดที่หุบติดกันไม่นันหน้าเป็ น, นลักษาะหนังหลังใจกัน มีเลี้ยงมีนกมเจอคีบมีห ม, มูมีสุนกว่ามีสุนัมาชีิตงเาเเพียบลิงเหมือนใจยอยู่ไม่เต็มนงม่เต็มลีงกระโดดโลดเดินไปโน่นไปนี่ันใจขอเราที่บรรจุไม่เป็นิ่งไม่เต็ไม่มีอะไร กากับแล้ก็เหมือนกัะดิ่งเงนเลยไม่มีไม่มีใครเห็นดีนั่งอยู่เฉยน่าหนักคือใจตาหมืนงูงูชอบขค้วเข้าโพงเข้าในที่มืดที่ท่าน้องหนังหัวคนตีรับรับรเรี่ไปทางนั้นตา โอ้โหขนนกจะบินขึ so stand, the so land, so so ้นว้าจะบินขึ้นอากาศเวลามาถึงบินไปเลยง่ายบินไปเลยหวั่นไหวไปเลยไหวไปได้โอ้โหูอ้โบไม่ใช่ขนนกขนนกตัวไหูขนนกคือคือไม่หวั่นไหว มูโ ม, ม, มงงก็เติเหมือนนุ่นเหมือนเข่าเดยมได้ยินะไรก็ไปเรื่ายเหมือนนเจ้าหมูน้อลูกสุนักไม่เดินบ้าลูกสุนัขน้อยอยู่ไหนว่างวิ่งออกจกว่างก็ไม่กล้าวมา ด, ดือยู่ได้ไหมวิ่งเข้าไปว่างไม่กล้าออกจากหาลูกสุนัข ตัวสนับปั่นกเป็นงปัเดียวกานรีดแล้วหมนจรยเนไม่ใช่เชี่ยวขยักขบเลยเกนลงไปง่ายเหมือนจัรนนนกรยานกินนาห์กัดตึกออกเกินเลยขาทีเดียวไม่มีเชี่ยวไม่มี ปวดนี่คือรี้วคืออะกรปวดก็ดไปเลยลักษณะของตรเจเรทุ ก, ก็ทุกไปเลย <c oughs> เจอร์เจ้เป็นเช่นนหลงก็หลงไปเลยหลงเป็นหลงตรเจทุกเป็นทุกจอเรเจ้ปวดเป็นป ด, ดเช่นว่ารเจนี่คือโรค สูงต้งหน่อยแตบปูโลกนี้ตูดเราจะลดมันตกแต่มันลดมชาติตาองมีลูกเป็นลดชาหมูก็มีเสียงเป็นลดชาตักรก็มีกริ่งเป็นลดชาเต้นิ่งก็มีลดชากายก็มีลดชาใจก็มีลดชา ต, ตาหมดเป็นคู่ของจิตใจตาหมูจะกรก็ิ่ง ลับมาไวรวงอยู่ที่ใจใจก็มาเป็นอารมณ์ชอบมันชอบปฏิบัติตามเป็นใหญ่ป่าเถือดตามชั่วได้เวลามันชอบเขาอารมณ์ทำตาแล้วก็ไม่หับได้นอนเลยต้องเข้า น, น, นอนหลังหล้วก็เวียดันเข้านัาง ก็รุ่งก็เห็น้าตาเป็นังให่ดิ้งไปใจก็ไปหน้าตาเป็นใจใจาหาใจใจก็เป็นใบญ่น า, นาสังายสังอะไรไปทั้งหมดเลยเหมือนเสือหกป่ากินอาหารนี่โรคเป็นอะไรมารลูแล่แข้งโรคลู่แก้งโรคแข้งตรงไห น, น นหลงเห็น่หลงมันก็มีทางมนทุกมันทุ ก, ท ม, ทกทมันโกรเทนกทมีทางไป น, นี่ตามหลับธรรมจักที่เราได้ฟงังเอาไปกหรหึม ใ, ในใจไมได้ักมสี่วันก็วันติดากติดใจเราจบควจงรุ่งทะานอะไรจะจง บอกว่าตับปฏิเมทุกเราได้ก็หมดรูเรียวเราควรจะทุกตัดเรียวเห็นเกิดทุกหลงธรรมไม่ได้แล้วเห็นตั้งไม่ได้เรียวอะไรที่มันเกิดก็นอกจากจิติจาเป็นคนเวลาเราปฏิบัติเป็นงานเป็นการของชีวิตจริงๆ เปลนหลงก็ไม่หลงเนี่ยเป็ น, นชีวิตนะถ้าจะบอกเหตุการณเคยดเิดจะตายต้องเปลี่ยนจากนี่ไปเป็นก้าวแรถ้ามีหลงในงานก็หลอกอย่าปล่อยทิ้อย่าปฏิเสธไม่รู้ไม่ชี้ถ้ามีความเครียดก็เห็นเหมือนเครียดอย่าไปรู้ไม่ชี้กับสิ่งเหล่านั้น ปล่อยทิ้งไม่ได้มันเป็นหมอกห่องมีขน ผ, ลผลัวงเป็นขนผัวงเป็นเชื้อโลกเหมือนกับเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเรากินอาหารไม่ถูกต้องเกิดผลกระทบเป็ยอย่างย่ มีความรู้สึกของธรรมะเฉยชาอยให้ไปกำลัอีกมนุษย์คนชอบทะเบียนทองไม่กเลิงขึ้นเจอเราด้วยดีอยู่เพียงไรชีวิตตรนี้อ่ความปวความโลภความหลงจิเด้ต่อให้รัก็ไม่กำลังขึ้นเจอเราด้วยดีอยู่เพียงไรเราไม่ได้ตัดปัญญาว่าปฏิญาณว่าตัดสิ้รู้อวามที่พอแล้ว ชาเนี่ยจะเช่าจะทลายไม่เกิดอีแล้วมันจบกันจบแล้วไม่เกิดความจบไม่เกิดควาทุกข์ไม่เกิดความโผ่่ควโลภความหลงไม่เกิดนี่เรีนตั้หาหลาัครับจบไปแค่ที่สิ้นสุดไปแ่ทีเราจึะปฏิ ญ, ญาณว่าจะตัดสทั้งฆ์เฉพาะแล้วแล้วมันดีอย่างไรสิ่งที่จะไม่เกิด โรเกิดชาติมันก็ไม่มีอะไรในทุกในสูตทางในรูดในมากวิธีทำกีกิบนี้ในสีอย่างนี้ก็มีวิธีปฏิบัติโตปฏิญาณสามาร12บนำเรีเป็นข้อปฏิบัติทื่หุ่นทาง อ, อละประชประกอบไป็นหลงเกิดประการ มสมัยทิฏฐิกันลุกหมาลุนเมื่อมีสมัธิฏฐิมีสติก็มีควองดำดิ่งโชคเกิดขึ้นดำดิ อ, อกจากกวามดำดิ่ออกจากความปฏิบัติดำดิ่ออกจากความชัว่วอกุศลไปเองถ้ามีสมัธิฏฐิไม่ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องดําิลงอกไป ความปวดไม่ถูกต้องควไมปดถูกต้องดำดิออกฝอยควมทุกไมถูกต้องควไมกถูกต้องดำดยออกฝอยอะไรที่มันไม่ถูกต้องต่นไม่ไม่ถูกต้องมัน ท, ไ ท, นไ ท, ทาน ไ, ทนทได้ที่ิต่อานี้มันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลนด้ทอมต้องคอยเจ็บู้ปฏิบัตินั้นหลงที่อย่างเปลี่ยนไม่หลงที่อ่านหลงสองข้างเปลี่ยนไม่หลงสองข้าง สมควแก่ผู้ปฏิบัติถ้ามันหลงหนึ่งครั้งสองครั้งสามั้งไม่รู้จะเปลี่ยนไม่รู้จะเปลี่ยนมันทุกสองครังสามครั้งเปนทุกทุกจะได้เป็นทุกเป็นทุกไม่รู้จะเปลี่ยนไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติมีคนน้อยลองเกี่ยวกัน แต่ถ้าลู่กำมกเรเซอรเป็นไปไมได้ต้องขยันที่เกิดไปซื้องความไม่เฉยได้ลูท่ทำจริงทำมระเซอร์เป็นไปได้แน่นอนเมื่อเราสวดธมปาหาเมื่อเราหลงก็ไม่หลงก็อยู่เฉพาะหน้านั่นแล้วนั้นเจ้าองได้สวดว่าพระเจ้าก็อยู่เฉพาะตานั่นแล้วไม่หลงก็ได้ไม่หลงก็ได้ไ มืนอยู่เฉพาะโพนเราอ่อยอ่อยใจเหมือนกับพระเจ้าตะโพนบอกไม่หลงก็ได้ไม่หลงก็ได้ไม่ทุกข์ได้เหมือนพระเจ้าอยู่อยู่ฝั่งเราอย่างุดอยู่เดี้วขึ้นฟ้าขึ้นป้าแล้วก็เกินจากกรร เมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นตอมต้องทำตามสงควรเอาไปมามันขยันแต่แต่่อนนี้เห็นความมันโกรธมานจะโูนเฉียดชีวิตไปเลยพราะเราหัดไปห้ไปก็เห็นวโกรธมันจะยิ่มยิมเห็นความผิดเห็นความผิดเป็นกระแสแห่งบันดิต ผู้มีเห็นผู้ที่เห็นความผิดของตนหรือว่าผู้นั้นกำลังเป็นบัณฑิตถ้าเขาเป็นผู้ผิดผู้ทุกผู้ถูกอยู่เป็นคนหานบัณฑิตมองตนคนทานมองคนอื่นบัณฑิตที้โทษตนคนทานที้โทษคนอื่น ไีช่ชองคนปันดิบไีช่ชายคนตามตัวอย่างนันเขาเนินทาหมอตนนนุ๋นทังทางแองคนเนนทาไม่พอใจที่ทัคนอื่นแต่ปั่นดิบที่ทั่ตนหมอตุ๋นเนินเขาพูดออกมาเนินทานเราเป็นอย่างเขาพูดรือเปล่าดูด้วย่าง ลึกซึ่งอย่างแยก่านถ้าเราไม่เป็นเหมือนเขาพูดัตแล้วก็มองเขาว่าเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เอามาเป็นเท็จเป็นจริงไม่ได้เพื่ให้ข้าของเขาว่าม่ไม่ควรที่จะเป็นตัวอย่างเอามาสอนตัวเองไม่ประโยชน์กับ การนิทานถ้าเขาเสนอหม อ, อมนจดบางทมักจะหมอนจนเป็นอย่า ง, งเขาพูดไหมถ้าเขายังไม่ดีเหมือนที่เขาจบลงหมอนจนไม่จริงเขาว่าเองสิ่งี้เขาพูดเราไม่ห็นไม่หลงไม่หลงตัวจนตจลอยให้สมรสก็ยกย่องไปยกหยกไป เราไม่เป็นเหมือนเขาพูดถ้าเราเป็นเหมือนเขาพูดเราก็นิ่งเฉยได้เขาพูดเองเขาพูดตัวเองไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาก็ไม่ทูกไม่ดีใจไม่หลงหลังมองตนเสมอก็มีสติเป็นอย่างนี้ละเป็นเจ้าของชีวิตจริงๆไม่หลุดไปง่ายไม่ดูไม่ บันโหเหมือนผูเขาทีลาจำเพื่อไม่จะเถืเ่อนก็หลงบัณฑิตไม่จะเถืเ่อนเพราะเนิาสังเกตนี่คือบัณฑิตมองมตัวผู้มีสติมักจะมองจอากนีนะ้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรากับกายกับใจแล้วเป็นเจ้าของเจอแทช่ทนะํำไมเราจะต้องมารลุลู่เดียนะวอะไรเนี่ย นี่คือความฉุกลูเหลวนี่คือความผู้รลวนี่คือความผิดรู้แล้วนี่คือความถูกรู้แล้วดู่ายน้ำสะดวสะดวกความรู้เลเหมือนเดินทางทำได้เราว่ายน้ำด้วยกันทางด่วนรู้เนเป็นทางด่วนฟรีเว้์ทาไม่ทุกกรณี ต้นทรายก็ผ่ได้ดูเดีวทีีเขาเสนอเส้นตัวดูเดีวผ่ได้หล่าดวนถ้าเขาเห็นทรายเสียใจถ้าเขเสนอเสดีใจก็หยุงพันหล่อไม่ด่วนเหมือนเหลือที่บรรทุกของหนักยอมวิ่งไม่ได้ไหวไม่เหลวน้อยที่ทุกข์ของหนัก ยังวิ่งไม่ได้เร็ ว, ว่อยไม่ถึงจุดหมายแต่ใจไหวนั่นชาชีวิตของเราเป็นอย่างนี้หลงหลยงอยครั้งรอยครา้งยังหลงอยู่เรีร่ยวเขาหลาทา ง, งทขาหล่กอกลุ้มร้อยทรังมนนหลงยังกลุ้มอู่โกรธร้อยครั้งมันหลยังโกรธอยู่ไม่ไป ยังอะไรอะไรในความปดมีรสชาติอะไรในความรับความจำมีรสชาติรสของโลกมันเหนือรสของต้องรสของต้อคือภาวที่เห็นไม่เป็นมันเหนือของตัว <c oughs> จับโลกถึงติดรสติดรสของโลกเสดยตัว ลอยใจหัว่าสลับมันมีสติไงาหล่ะทุกข์กหาจังหวะให้ก้าวเพื่ออันเทียนไม่ใช่หอนเลยนะไม่ใช่มายกมือสร้างจังหวะทนั้นก็เสียง ม, ม, มาจากใจกจับสติมือที่มันขึ้นออกไปทำตั้พลังงานจากเป็นสติไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกสันเกิดพลังงานได การเกิดสติมากขึ้นมานั้นเครื่องโยนที่มันมุนไปมันได้พลังงานเทนทัวไปในในทัวมันเองไม่ใช่ไม่ใช่สตากิ่วยเข่าไหมที่เราสตากัต้องต้นเขาจะหมดแรงมัล้มลเทีย่ยงกลางมาลูกมันล้มเท่ยงมาลูกมกันไปเข็นด้วยองไห ลู่ไม่ใช่เฉดง่ายๆยิ้มเห็นก็รู้ได้ทางใจตามใจความเห็นทางใจไม่ใช่ไปสัมปัศถึงกับบวมไห ว, ไวเห็นทางใจเมื่อแต่ทุกข์เถิดนี่ว่ารู้แล้วทุกเรารู้แล้วเร า, าได้แล้วเหตุที่จะทุกได้ทําได้แล้วทำาำแล้ว ทำได้แล้วโลดลองแจงแล้วแจงแล้วทำไม่แล้วทำให้แจ้งแล้วไม่มืดก็หลงก็งงอ่า้นโกรธคนงงแจ่จุดนี่เป็นอย่างนี้คนโกรธแก่ทให้แจง เ้ามือต่อจนตายไมเห็นกับเห็นสามีเป็นหมาเห็นปัญญาขึ้นหมาเห็นเป็นปลาเห็นเป็นสัว์าดไม่ไม่มีในโลในโรกตอันที่เขาปดไมใช่ปัญญาไม่ใช่สามีเป็นอากุกเป็นสิ่ที่จอยมามอยู่ในหัวใจเขา ช่วยกันเถอมันแฉ่ไม่ใช่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่กับแม่ถ้ามันไม่ใช่ตัวโหกโอ้ยไม่ใช่แล้วก็ใช่ก็ใช่แม่แล้วเป็นไรไปแล้วน่ะขึ้นมาเลยน้อเจ้าขูกันกันน่ะจับเขียนจับหลังเอารูปหลังรูปแขนจับขวดจับรู้จึกไปรู้จึกไว้เดี๋ยวคืนมาหน่ะในวันทองมันแฉ่ มามืดไปเจอช่วยกันนะมามืดไปมืดพ่องกปหมดตกตลกทั้งไปมาเจ้าไปมืดอยู่ที่ดีไปมืปมดเ ต, ตื้ อ, อ, อ, อ, อ, อกัวอะไรมีชีวิตของสัตวนะ์ มามืดไปแก้งมาแก้งไปมืดมาแก้งไปแก้งมามืดไปมืดเราเป็นเช่นไรหรือก่อนที่ผ่ามาถึงปู น, นี่วันนี้ยังมีคนหลงคนเก่าคนทุกขคนโลกคนไม่ถูกกังวลเศราหมองอยู่ไหมหรือมันมากพวกเกา่าหรือมันเบาบางลงขลุงพลังขนาดไหนป่นาอะไรอาวรณ์เช่นไนเรเป็นไร อะไรที่เป็นของเราจริง ด, ดีก ว, วา่าเรื่งโกดที่เราเคยโกรธมาเป็ น, ป น, ปนตัวตนจริงไหมเดี๋ยวนี้มีไหมโกรมันไม่จริงเรื่องทุกข์มีจริงไหมเคยทุกข์ไหมเคยนั่ตาไหลไหมเดี๋ยวนี้มีไหมนั่งอยู่นี่มันเจอว่ามันไม่จริงพอที่จะสว่างเลยตืย่นเลยเนาะ ตื่นจากความหลงตื่นจากความทุกข์ตื่นจากความ苦苦ตื่นจากความโผเสเข้าใจอื่นจากการปงแต่งไปด้วยตัณหากรับตั้งใมาเป็นสุตตัมาเป็นภมิจากรภูมิจุดโูมิวงจรจะเราก็ได้เคยฟังพักมองจุณพอนนี้จะว่า้วังน 佛法ธารอนเนาไปชิดตวันดูเฉินเตงเฉสังโภตโมตุกุลสัมมาอนิจจาสังขารสังขารเกิดขึ้นแล้วเออแกเราคือวันฟุ้งเถิงไในสังขารฟุ้งใดทุกอางให้รักให้ชอให้กวดได้สุขได้ทุกข์ให้คอใจให้เสียใจให้อรัญตานได้เทนั้นฉันว่าสังขารเกิดขึ้นแล้ว เป็นการสังขานไม่จิตตสังขานพุงที่กายก็ปรงุ่งที่จิตใจก็แรงไม่ปกติเลยเราเราไปยืดว่าแต่ตัวไปจนอุปถาวันจะทำาังไงอย่าไปยึดเอาอย่าไปยึดเอาเรยดดาวรยว่ากูโกดกูทุกข์กูรักูชังกูพอใจไม่พอใจถ้ากูนี่กูตายไม่ลืม มัสังขารอยาปี่เดาอยาปี่เดีอุบัิจตวานรยันติกแกได้แกได้เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ใจสัมผูปจให้โูเมื่อเปลี่ยนความปวดเป็นความเมื่แล้วอยู่เป็นฉุกไป็นฉุกพ้นจากของโกวดไม่ได้ทาอะไรให้จากความปวดหน้าภูจิใจพ้นจากคมทุกข์หน้าภงจิใจพ้นจากคงหลงหน้าภูมใจ เปนยจโอเปมโู่ทุกข์เขาเด็ดขาดเด็ดขาดนเด็ดขาจางนีเป็นกระเจแห่งนากนอะไรได้เด็ดขาดข้างที่1กึงเดขาข้างที่สอดขาดข้างที่สมเขให้ชัดเจนแม่นยีคดอกจะตจมีค่าจเจ็เป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่เกิดกว่า เพื่อมรดเพื่อผลจริงจริงท่ตรงนี้เพื่อการนี่จริงๆในรูปในตอนประวัาิธรรเพื่อให้เกิดว่าเกิดผลไม่ใช่ให้เกิดการลกหนุนเป็นเป็เ ป, เป็นสุนัขเป็นสลนทรพจน์เป็นเรือฉานเพราะหลงมันเขาโม่มันจึงหลงเป็นเรือฉันเขาโม่มันจึงทุกข์เป็นเรือฉันเขาโม่มันจึงโกดเป็นเรือฉาน เราเป็นมนุษเขาไม่งูตรงนั้นเขาฉลาดตรงนั้ น, <c oughs> ค, น, นคุณผัวน่เคยเสียเปรียบกรกม า, มาว่าเดี๋ยวเคยน้ำตาไหลทุกความทุกข์ตอนไม่หลับเป็นคนที่ทุกข์ยากจริงๆอยากมาคุยกวอท่านคนทุกข์นั้นสงสารเปล่ามาเห็นเราก็เขียนท่านสอนเนี่ย ให้ยกมืเอเคลื่อไหวให้รู้สึกตัวนะ <c oughs> เกิดมาไม่เคยรู้สึกตัวแบบนี้เลยไม่เชยไปนั่งสมาธิเป็นหมอศัลยศาสรักษาคนถวยคนป้าคนไข้ไปทำหน้มามันดาลแค่ถวยแต่ยังมีคนปวดคนโรคคนหลงมีเิตใตันทาอยู่ไม่แต่ต้องเรื่องนี่เลยเพอามันมีสติ โสดมาแทางก็ามาไปเสื่อมนะฉนรู้ฉันรู้เลยโอ้โหควาเห็นความคิดที่มันเป็นทุกข์เปความคิดเนี่ยมันดึกสึ่งมากพอช่วยตัวเองให้พอช่วยความคิดพอแค่ความคิดเปลี่ยนความคิดให้เป็นความรู้ความคิดที่เคยทำให้กัดต่อตัวเองเจ็ปวดกลายเป็นความรู้ได้ เออจ้องสานไปอุ่นตวอสานตัอมาที่ทกขสัมามีภาพอาบเบียนไมนั่งปาณอยู่ต้องเหนคมคิดทีเป็นโยมยงนแล้วไมเป็นพระเหรอเ็นความคิดที่เป็นทุกข์เลยเออมันกับได้เลยไม่เคยพูดถึงแบบ้โอยความคิด จดตอดตัวเองเก็บปวดก็คงคิดเป็นทุกข์เป็นควคิดสงสารตัวเองตังต้งสิบันเลเห็นตัวเองเห็นคนอนื่นเรียดไปเลยลาไปเลยดเด เ, ยใจใจ เ, เคยเจ็เจบเคยช้าเคยเบียดยันเคยทำไอะไรอวันันเลลไปเลยถึงลูกใจิตเพิ่เกิดเจเกิดใจโดยธ นี่แหละมันปฏิบัติธรรมมันคือมาเป็นพิธีโตย ก, กมือส้อนโยกเบาเพื่อไม่ไปมามันเป็นพลังงานถ้าไม้เกิดสตินะการยกมือการเดินการหายใจอย่างนี้เพื่อให้เกิด ส, ต, ดดดสตินะไม่ใชใ่เกิดอะไรนะให้มันชัดเจนให้มีสติการยกมือไม่มีสติก็อย่าไปยก เราหยกเมือง ฟ, ฟรีมานานแล้วมันไม่ป ร, รไไมประโยชน์อะไรเนีงโปวดหลงหลงรูเราหายใจฟรีเราเดินฟรีมานอนแล้ววันนี้กำหนดรูออกมาคิดเป็นควารู้จากต้นใดต้นหนึ่งเ ป, เป็นเฉพาะเรื่องปวดบ้านก็มีความรู้สั่งตามี็นความรู้จึงเข้าเป็นความรู้ไปหัดตนสอนต น, ตนไป อย่าไปเช่นขืนปล่ออกมาเมื่อคนพูดตอกฟังของพูดเรากองพูดที่เขาพูดนันมาเป็นการรู้สึบตัวด้วยหูตั้งใจฟังมีสติรู้จริงๆเขาพูดแัไนไดก็รู้จริงๆเขาพูดเล่นพูดหลงก็ารู้จริงๆบางทีเพื่อนชวนหลงเราไม่หลงถึง ต, ต, ตรงนั้นเก็บตกตรงนั้นโนอกรูแกบบ บรรลุธรรมนอกรูปแบบมันเมอยู่ในบทเติอนจะโครงสร้างจังหวะ น, นะนอกรูปแบบเหมือนเรานางนเราลองน้อยใจเข้าออกยกมือเข้าออกปุ่นออกขึ้นไหวอยู่ไม่บรรลุธรรมเลยมีจนเหมือนกั บ, สบสเสียงบนเสถยงทองขึ้นเ้เราก็ได้นอนมาทั้งคืน เราจะพวกนี้เราจะทำความเที่ยงเอาเงียบเส้นหน่อยดีไหมมาชิดอานอนนะ้ำผ้านอนนะ้ำกอนที่คนรู้เท่ามาย็นตัวลงว่าจะนอเนื่งตัวลงหัวยังไม่สุดฟอนเลยเกิดการเปลี่ย น, นใจมชิดขึ้นมาทันทีนอกกรูเบสมีไม่ชีบั่งคนไม่ชีบั่คนเรา มาปฏิบัติกันแล้วก็สมัยอยู่วงเลยสิ่งสิบปเลยแล้วนอนตื่นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จเปลี่ยนไปตื่น น, นอนขึ้นมาเปลี่ยนไปหมดเลยนั่งงงเลยมาถามเราอาจารย์ทําไมมุ่งไปอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เป็นยังไงถามไปถามไป อ็ให้ขอดยที่สองสองวันเมือไหที่ถูกต้อไหมอะไรมันถูกต้อมบางครั้งมันใจดังเกินไปไหมเคยรักใครเคยคิดถึงคนรักด้วยที่เคยโกรธเคยคิดถึง ก, ดกด็โกรธด้วยี่เคยมีจิตใจอะไรนอมามาคิดมาลำดับด้วยที่มันเป็นอย่างไ ร, ร, รถ้ามันรเรียบแต่มันตื่นจังไหมอด ก็ไม่มีนะไรเลยหม ด, ด ห, หมดตัวทีวิธีลุ่นๆนัองพูดแบบนั้่าตอนนั่งใช้จวาจนนาทำความเคียดเอ็นย่ว่านั่ ง, นนาา ง, ง, งอ น, น, นอน อ, อาจริงเอาจริงนันเอก็อยมนกัเคยทํามันกันไป ให้ทำสบายสบายืดเยือเติรดใมไม่ไปนะนั่งใจตั้งใจไว้ชอบท่านจะไปชอบสมมาทิฏิตั้งใจไว้ชอบทุกอะไมาจะดูมันรูสึกมันเห็นมันอย่งงดงามอยงแยกหายเห็นค่ทุกมล้อทุกเหวีสมาิิ เดินคนปวดหัวน no. no. no. no. no. ้องคนวดเดินคงลักคงจังหัวน้องคนลกะไีว่าเอ้ยมาเต็มที่เกลียดเลยน้องผมด็จริงน้องบางทีทีลักใครเป็นที่เกลียดชังน๋องบทีพอใจเป็นคนสิ่งที่รางเกียจเป็นังไน้องหัวน้องแต่ว่าเอ้สนุกสนกดูเลยบอกเดี๋ยวนี้ฮะัวาต้องการจะมา